วันสองสามวันคนน้อยพ่อดูได้ทั่วน้อยกว่า น, นี้นิดหน่อยถ้าเยอะดูทีละคนไม่ได้ไม่ได้คุยด้วยทุกคนนี่วันนี้คนคงเยอะส่วนมาไล่ไม่ได้ไล่ไม่ได้ครบต้องทำใจนะอยู่ข้างหลังๆไปไม่ค่อยถึงก็ฟังซีดีเอา ฟังซีดีอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้คนใหม่ๆเยอะแต่และ ว, วันคนใหม่ๆไปฟังซีดีไปอ่านหนังสือมาแนละ้วตื่นขึ้นมาเยอะก็ทุนแรงหลวงพ่อไปได้เยอะที่แรกทาหนังสือทําซีดีกล่าวว่าจะทุนแรงรู้สึกคิดผิดเลยทำกาวว่าเขียนแล้วเราไม่ต้องสอนแต่และ ว, วันกลายเป็นอ่านแล้วยิ่งมามากกว่าเก่า แต่ก็ดีนะยังมีแรงช่วยกันได้ก็ช่วยไปแก่กว่านี้ก็ต้องช่วยตัวเองเยอะๆหลวงพ่อก็ดูไม่ไหวสิ่งที่พูดไว้แต่ละวันแต่ละวันหลายปีเนี่ยเยอะเยอะมากเลยฟังกันได้นานแล้วก็จริงๆก็ไม่ต้องฟังทั้งหมดก็ได้ที่หลวงพ่อพูดแต่ละวันเนี่ย เนื้อหาสาระมันจะครอบคลุมการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบทุกวนะันอ่ะงั้นถ้าเราฟังแค่อันใดอันหนึ่งหรือแผ่นใดแผ่นหนึ่งหรือกันใดกันหนึ่งนะจริงก็พอแต่ว่าต้องฟังแล้วฟังอีกสิ่งที่หลวงพ่อพูดนะฟังครั้งเดียวเก็บได้นิดเดียวจะเก็บเนื้อหาสาระได้นิดหนึ่งเราฟังหลายๆครั้งเก็บได้มากขึ้นมากขึ้น งนซีดีหลวงพ่อจะประหลาดนะมีความประหลาดอยู่เยอะในซนะีดีนั้นคือก็ฟังผ่านหูนะแต่มันไม่ถึงใจเราผ่านหูหลายๆครั้งกนระองเข้ามาที่ใจได้หน่อยได้หน่อยทำไมมันมาที่ใจได้ไม่หมดเพราะภาวนายังไม่ถึงถ้าภาวนาถึงจะเข้าใจอริยสัจจะแจมแจ้งในอริยสัจร้ เข้าใจอริยสัจแจมแจ้งก็จะข้ามภพข้ามชาติไม่เกิดละระรับใดที่ไม่เข้าใจอริยสัจยังต้องเปิดอีกเงั้นธรรมะที่หลวงพ่อพูดนั่นจะเวียนอยู่ในเรื่องอริยสัจอย่างเรื่องทุกข์นั่นทุกข์คือเรื่องกายกับใจจิจต่อทุกข์คือให้รู้กายให้รู้ใจหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ก็จะบอกวิธีรู้จะรู้กายจะทํำยังไงจะรู้ใจจะทํำยังไง ก็ต้องมีเครื่องมือคือสติสัมมาสมาธิมีปัญญาสติจะเกิดได้ยังไงสติไม่ได้เกิดจากบังคับไม่ได้เกิดจากกําหนดสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นงั้นต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเกิดจากจิตสิกขาเราต้องเรียนเรื่องจิตให้จแจ่มแจ่งจนกระทั่งเรา จับลักษณะจับสภาวะของจิตชนิดต่างๆได้แม่นยำว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลชนิดไหนเป็นกุศลธรรมดาธรรมดาชนิดไหนเป็นกุศลแบบสมถะชนิดไหนเป็นกุศลแบบมิปัสนาเราจำแนกแยกแยะได้แม่นยำนะเรามีสัมมาสติเรารึกรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจ มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจไม่ใช่ตั้งแช่กับกายกับใจผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะขาดสติขาดสัมมาสมาธิเกือบทั้งหมดเลยเมร่อนันปัญญาจะไม่เกิดปัญญาแท้จริงจะไม่เกิดสติที่พวกเรารู้จักในชั้นหลังๆนะเป็นสติที่เกิดจากการกําหนดกําหนดจดจ้องโน้มนำบังคับให้เกิดสติะนั้นชนิดนั้นมันไม่ใช่ของแท้ สติที่เป็นของแท้นะัมันเกิดเองเพราะจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วก็จิตจะมีสติขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวะทั้งหลายรู้รูปธรรมนะรู้ลงปัจจุบันรู้นามธรรมรู้ตามหลังนะตามไปติดๆพอรู้อย่างนี้มากเข้ามากเข้าสภาวะธรรมแต่ละชนิดจะแสดงไตรลักษ์ให้ดูร่างกายก็แสดงไตรลักษ์จิตก็แสดงไตรลักษ์ การที่เราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของจิตนี่แหละคือคําว่าวิปัสสนาลําพังเห็นกายลําพังเห็นจิตยังไม่ใช่วิปัสสนานะต้องเห็นกายเห็นจิตนั้นแสดงไตรลักษณ์ขึ้นมาก่อนถึงจะเป็นวิปัสสนาผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยถึงแม้จะรู้กายรู้จิตหนึง่งก็ไม่ได้รู้แบบวิปัสสนานะแต่ไปรู้แบบเพ่งเพ่งกายเพ่งจิตเพ่งกายเพ่งจิตเป็นสมถะแต่ถ้าเห็นลักษณะ ของกายของจิตว่าเป็นไตรลักษณ์มีลักษณะเป็นไตรลักษณ์นี่จึงจะเป็นวิปัสสนานี่พอเดินวิปัสสนาแก่รอบจริงๆเนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งแล้วว่าเป็นกองทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บางสุขบางบางคนเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์เพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยงบางคนเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์เพราะว่ามันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นตลอดเวลา เรียกว่าเห็นเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นทุกข์ฟังยากนิดหนึ่งนะเห็นทุกขสัตว์เพราะว่ามันมีทุกขลักษณะไม่ใช่ทุกขเวทนานะาเวทนากระจอกง้อห้อยใครใครก็รู้หมาแมวก็รู้ได้หรือบางคนเหตุการณ์เห็นใจเป็นทุกข์นะเพราะเห็นอนัตตาเห็นความไร้สาระไม่มีตัวมี ต, มตนที่แท้จริงมีแต่ทุกขล้วนๆนะไม่เห็นมีอะไรน่ารักเลย เขาเรียกเห็นทุกแจ่มแจ้งในมุมใดมุมหนึ่งของไตรลักษณ์เพียงมุมเดียวเวลาเห็นนี่ยไม่ต้องเห็นทุกมุมหรอกแต่เวลาลงมือปฏิบัติเดี๋ยวก็เห็นมุมนอนเดี๋ยวก็เห็นมุมนี้แต่เวลาจะแจ่มแจ้งขึ้นมาเห็นทุกแจ่มแจ้งเห็นมุมใดมุมหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเห็นในมุมของอนิจจังที่ท่านเล่าว่าท่านเห็นจิตเนี่ย ของใสผู้รู้ของใสแล้วมันก็ยังหมองๆได้อีกมันมันทนอยู่มันมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงบางท่านก็เห็นมันทุกข์บางท่านก็เห็นเป็นอนัตตาไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอย่างหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตเอ่ยชื่อให้ฟังได้เพราะว่าไม่อยู่แล้วใครใครก็คงไม่ว่าหลวงพ่อเป็นในหน้าหาราบสักการะไปให้ท่านเมืท่ท่านไม่อยู่ องค์อื่นๆที่เป็นตัวอย่างยังอยู่ก็เลยไม่พูดถึงถ้าเห็นทุกข์แจมแจ้งนะสมูทัยจะถูกละอัตโนมัติสมูทัยจะดับอัตโนมัติคือไม่เกิดเองเลยคือล้าไปล้าสมุดเฉดหมายถึงว่าไม่มีอีกแล้วแต่ถ้ายังไม่เห็นทุกข์แจมแจ้งนะสมูทัยจะเกิดเป็นเคล้คาๆคือตราบใด ท, ที่ไม่เห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์ยังยึดมั่นถือมั่นในกายในใจนะ่ สมุทัยคือตัณหาหรือความอยากจะให้กายให้ใจมีความสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่หมดไปแต่ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งกายกระใจนี้ทุกข์ล้วนๆไม่ยึดถือแล้วล่อยวางไม่ยึดถือความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ดับไปโดยอัตโนมัติไม่มีโลกูเทศถึงสอนบอกรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็เป็นอันล้าสมุทยัย ทันทีที่สมุทัยถูกละนิโรธหรือนิพพานก็แจ้งในขนาดนั้นเลยไม่มันเกิดในขณะเดียวกันนะรู้ทุกปุ๊บก็เป็นอันละสมุทยัยนิโรธแจ้งขนาดนั้นเลยนิโรธก็คือนิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานก็คือสันติความสงบความสงบจากกิเลสสงบจากขันสงบจากความปรุงแตง่งสงบความปรุงแต่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วสงบจากความปรุงแต่ง ะเนนชาสมาบัติทั้งหลายสงบในความสงบนั้นมีความสุขอันมหาศาลแทรกอยู่จิตที่ไปรู้นิพพานจิตที่เข้าถึงนิพพานเข้าถึงความสงบนั้นจะมีความสุขเรียกว่าสันติสุขเพราะน้นบางทีก็ว่านิพพานนี้มีความสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นบรมสุขบางทีท่านก็ว่านิพพานนั้นว่างอย่างยิ่ง ว่างจากกิเลสว่างจากขันว่างจากความปรุงแต่ง น, นั่นเองแต่ไม่ใช่ว่างเปล่าเนีย่ยเป็นสำคัญผิดนิพพานเป็นความว่างเปล่าถ้าเห็นนิพพานเป็นความว่างเปล่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่านาติกาทิฏฐิไม่มีอะไรเลยนิพพานมีนิพพานมีสภาวธรรมรองรับเพราะนิพพานอื่เป็นปรามัตถธรรมก็มีสภาวาธรรมรองรับไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนิพพานมีลักษณะ คือความสงบสันตินิพานมีคุณสมบัติอันหนึง่งคือมีความสุขนันมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรใจของเราหมดตัณหานะหมดความดิ้นรนเนี่ยใจเราจะเข้าถึงสันติสุขอันนี้เราจะเห็นนิพานปรากฏ ต, ต่อหน้าต่อตาในขณะที่สิ้นตัณหานั่นแหละแลสิ้นตัณหาก็ในขณะที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนั่นแหละในขณะที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งในขณะที่สมูทัยดับอัตโนมัติในขณะที่แจ้งนิโรธอย่างฉับพรัน ขณะนั้นก็คือขณะที่เกิดอริยมรรคขึ้นเพราะฉนทุกสมูทัยนิโรธมรรคก็เกิดในขณะเดียวกันในขณะที่แจ้งอริยมรรคก็คือรู้ทุกขแจมแจ้งละสมูทัยเด็ดขาดเข้าถึงนิโรธประจักรถึงนิโรธถึงนิพพานในขณะเดียวกันถ้าแจ้งตรงนี้แล้วครั้งแรกก็เป็นพระโสดาบันแจ้งไม่มากโสดาบันรู้นิดเดียว รู้แค่ว่าตัวตนจริงๆไม่มีเขาเคยไปเห็นนิพพานมาทีหนึ่งแล้วนิพพานไม่มีตัวตนไม่มีขันอะเลยรู้ว่าในนิพพานไม่มีขันนะเพราะฉะั้นในจริงๆแล้วขันไม่ใช่ของแท้ของจริงหรอกไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรมีเหตุก็เกิดขึ้นเป็นาเปล่าๆพระโสดาบันก็แค่เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่มีตัวตนที่แท้จริงในขันห้าไม่มีตัวตนนอกเหนือจากขันห้าด้วยไม่มีตัวตนในที่ใดเลย พระโสดาบันเห็นแค่นี้พระสกิทาคาก็เห็นแค่นี้พระนาคาลึกซึ้งลงไปอีก<ม>เห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆจนไม่ยึดถือกายเมไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผลัพภะเมื่อไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผลัพภะกามและปฏิฆะคือความพอใจแล้วก็ความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลัพภะก็ไม่เกิดขึ้นงนั้นแจ้งในกายนี้นก็เลยละ เอาการมาราคากระติคคาขัดอัตโนมัติเป็นพระอนาคามิดูลงไปอีกการปฏิบัติจบีบบงเข้ามาที่จิตท่านัดสุดท้ายมาเห็นจิตแจ่มแจ้งอย่างที่หลวงพู่ดูลบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมัจแค่จริงก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตมรรมท่านพูดซ่อนๆไว้ น, นิดนึงเกรงใจคนฟังเดี๋ยวจะมาหาเรื่อง มาหาเรื่องอะไรไม่ใช่มาหาเรื่องท่านนะมาหาเรื่องตกนรกก็เลยต้องสอนออมๆไว้นิดหนึ่งพอจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าอะไร ว, ว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละจิตเป็นทุกข์ล้นล้วนเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์เพราเป็นทุกข์บ้างเป็นทุกข์เพราะเป็นอนัตตาบ้างก็ปล่อยวางไม่ยึดถือจิตเมื่อไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกแล้ว สิ่งที่ยึดเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตนั่นเองสังเกตไหมเราดิ้นรนทุกวันนี้เราดิ้นรนเพื่อจะให้ร่างกายมีความสุขแต่ดิ้นรนเพื่อให้จิตใจมีความสุขเรารักร่างกายเรารักจิตใจเราดิ้นรนเพื่อให้ร่างกายเป็นสุขเพื่อให้จิตใจเป็นสุขเคยไปโรงพยาบาลหรือไปเฝ้าคนป่วยไหมเวลาร่างกายเจ็บหนักๆนะหลายคนอยากให้ตายเร็วๆเมื่อไหร่จะตายว้ยเมื่อไหร่จะตายไม่รักร่างกายแล้ว แต่ว่าอยากให้จิตใจมีความสุขตายเซะได้แล้วจิตใจจะได้มีความสุขสทัทีมันทุกข์ทรมานรุ่มออกรุ่มใจแล้วเกินถ้าตายแล้วจะได้หายรุ่มใจสักทีมันรักจิตรักกายยังไม่เท่ารักจิตสุดท้ายก็เพราะรักจิตนั่นเองก็เลยเกิดขึ้นอีกนะแล้วจิตนั้นเหมือนเมล็ดพันธ์ต้นไม้มีเมล็ดอยู่เมล็ดเดียวนี่แหละอย่างไปในสภาวะที่เหมาะสม ก็เกิดต้นไม้ใหม่ขึ้นมาเกิดขันห้าขึ้นมาอีกงั้นถ้าทำลายเชื้อพันในจิตไม่ได้ก็จะเกิดขันห้าซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนั้นเองวันนี้ทำไมเทศพิลึกพิลั่นเนะเทศตามคนฟังนะคนฟังพอฟังได้ธรรมะมันก็เป็นอย่างนั้นบางวันจิตใจชั่วหยาบมากๆากธรรมะก็หยาบหยาบ ใช่รู้สึการู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจอย่าใจลอยไปแล้วก็อย่าไปเพ่งกายเพ่งใจใจลอยใช้ไม่ได้เพ่งกายเพ่งใจใช้ไม่ได้รู้กายรู้ใจถึงจะใช้ได้รู้โดยไม่จงใจจะรู้ให้สติเกิดขึ้นเองสติเกิดเองเพราะจิตจำสภาวะได้จิตจำสภาวะได้เพราะหัดดูสภาวะบ่อย เพราะนหน้าที่เราต้องหันดูสภาวะบ่อยๆทุกวันนะต้องซ้อมเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำไปเคยพุโทโธก็พุโทโธเคยหายใจก็หายใจเคยดูท้องพองยุบก็ดูเคยยกเท้าย่างเท้าก็ยกเท้ายัางเท้าไปเคยขยับมือก็ขยับไปเคยรู้อิริยาบทสี่ก็รู้ไปแต่ใหญ่รู้อย่างเดิมนะรู้อย่างที่เคยรู้ใช้ไม่ค่อยได้จริงส่วนใหญ่ไปเี่งเนาะ รู้พุทโธก็เพ่งจิตรู้ลมหายใจเพ่งลมหายใจรู้ท้องเพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ารู้มือเพ่งมือรู้กายทั้งกายเพ่งกายทั้งกายรู้เวทนาเพ่งเวทนารู้อะไรก็เพ่งอันนั้นนั้นใช้ไม่ได้ให้พวกเรารู้สภาวะทั้งหลายนะรู้เล่นเล่นเคล็ดลับนะอันนี้เคล็ดลับกว่าจะเข้าใจเคล็ดลับเหนื่อยแทบตายนะบอกให้ฟรีๆไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ถ้าเป็นฝรั่งต้องไปจดทะเบียนก่อนใช่ห เราถึงจะพูดได้เนี่เราสอนสอนทุกวันนะไม่รู้ว่าจะมีใครมันอุตริเราที่เราสอนไปจดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยววันหนึ่งมันไม่ให้เราสอนหน้ า, ด, า, น ด, านด้านมันมีนะ <c oughs> เนี่ยรู้ลงหนะ้าส่วนใหญ่ไปเพิ่งให้รู้ไม่ใช่ให้เพิ้ง <c oughs> เช่นเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะแล้วใจเราแอบไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ว่าใจไปคิด พุทโธพุทโธใจมีความสุขหรือว่ามีความสุขใจสงบหรือว่าสงบพุทโธแล้วใจเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นพุทโธเรารู้ทันใจตัวเองไปเวลารู้ลมหายใจก็ไม่ได้บังคับจิตให้อยู่กับลมห้ามเผลอไปที่อื่นไม่ใช่รู้ลมหายใจเล่นๆไปหายใจไปแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งลมหายใจก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้หรือรู้ร่างกายก็ได้เห็นร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ก็ใช้ได้ เวลาจะดูท้องของยุบเนะือก็ดูไปแต่ไม่ใช่เอาจิตไปเพ่งไว้ที่ท้องเกือบร้อยละร้อยเอาจิตไปเพ่งไว้ที่ท้องนี่พูดแบบสุภาพนะพูดซื่อๆยังไม่เคยเห็นใครที่รู้สึกเลยน้อยนะคนที่รู้สึกตัวในโลกนี้มีน้อยเต็มทีเลยน้อยจนน่าใจหายตำรามีนะพูดตำราได้เหมือนกันหมดเลยแต่สภาวะที่ลงมือทำจริงเนี่ยเพ่งเพ่งเกือบทั้งหมด ยังพอไปดูลมหายใจก็เพ่งลมดูท้องไปเพ่งท้องอีกใจไหลไปเกาะนิ่งๆที่ท้องใช้ไม่ได้นะได้แต่สมถะงั้นถ้าใจไปอยู่ที่ท้องให้รู้ทันใจหนีไปคิดที่อื่นให้รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลให้รู้ทันอย่างนี้ใช้ได้เอาท้องของยุบเป็นแบกกลาวลมหายใจเป็นแบกกล่าวเพื่อจะมารู้กายเพื่อมารู้ใจไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้นิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานถ้าน้อมใจให้นิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็เป็นสมถะ หรือบางคนดูจิตดูใจแนละ้วดูไปดูไปดูไ ป, ด, ไป ด, ดูเรื่อยๆไปดูความว่างเอาจิตไปจับอยู่ที่ความว่างนิ่งๆอยู่กับความว่างก็เป็นสมถะอีกใช้ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ไปถึงความว่างก็ต้องใช้ความว่างเป็นอารมณ์กรรมฐานด้วยกันอยู่กับว่างแล้วจิตเคลื่อนจากความว่างก็รู้จิตหนีไปไหนก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไม่ได้น้อมจิตให้อยู่กับความว่าง เง น, นเบื้องต้นนะทำอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาอันหนึ่งก่อนแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆจนจิตมันจำสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางกายทางใจได้แม่นยำทำไมต้องมีกรรมฐานขึ้นมาอันหนึ่งก่อนอย่างจิตของเรานี่เที่ยวร่อนเร่รวดเร็วมากวิ่งไปวิ่งมาเราไม่รู้หรอกเราดูไม่ทันเราก็ต้องหาอะไรมาตั้งไว้ขึ้นอันหนึ่งก่อนตั้งตั้งตั้งเล่นๆนะไม่ได้บังคับจิตให้ไปเกาะตั้งเล่นๆเลย เสร็จแล้วจิตมันจะเคลื่อนฐานอันนี้ไปเราก็รู้จิตมาอยู่นี่ก็รู้จิตไะอยู่นี่ก็รู้มันมีแลนด์มาร์กเป็นตัวสังเกตไว้เนี่ยอาศัยอารมณ์กรรมฐานเป็นแค่แลนด์มาร์กเป็นตัวสังเกตจะเรียกแลนด์มาร์กก็โผไม่ใช่มั้งเธอเรียกอะไรซัอย่างเป็นที่สังเกตทําให้รู้ว่าตําแหน่งจริงๆตอนนี้จิตไปอยู่ที่ไหนละหรือกายเป็นยังไงแต่ถ้าไม่มีเลยนี่ร่อนอย่างนี้ดูไม่ออกหรอก งั้นเบื้องต้นทําอารมณ์กรรมฐานขึ้นสัง่งอะไรก็ได้ที่คุ้นเคยแล้วก็ไม่ไปเพ่งจนเคร่งเครียดถ้าเคยทำแล้วเคร่งเครียดทําผิดนะเลิกซะไรสาระไร้ประโยชน์เหนื่อยเปล่าทําตัวเองให้ลําบากเหนื่อยเปล่าเรียกอัตตกิลมฐานุโยคกรรมฐานใดทําแล้วสงบสบายมีความสุขทํากรรมฐานนั้นนั่นแหละถูกกระจริตของเราทําแล้วมีความสุขทําแล้วเป็นเครื่องอยู่ ทำแบบเป็นวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ในสติปัฏฐานใช้คําว่าเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมคือเป็นแค่เป็นบ้านเป็นที่อาศัยมีธุลาก็วิ่งออกนอกบ้านได้ตลอดเวลาไม่ใช่ให้เป็นคุกผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเอาวิหารธรรมเอาอารมณ์กรรมฐานมาเป็นคุกขังจิตเช่นบังคับจิตห้ามหลุดไปจากลมหายใจบังคับจิตห้ามหลุดไปจากท้องผ่องยุบบังคับจิตห้ามหลุดไปจากเท้า บังคับจิตห้ามหลุดไปจากร่งก า, างกายบังคับจิตห้ามหลุดไปจากความว่างอย่างนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เป็นสมถะเอาเอาอารมณ์กรรมาฐานเป็นแบ็กกราวแล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของจิตไปเรื่อยรู้เล่นๆไม่ต้องอยากรู้อะไรเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้เอารู้ไปเรื่อยๆในกายในจิตนี่รู้ไปมากเข้ามากเข้าจาสภาวะได้แม่น เช่น เ, เราหัดพุทโธพุทโธอยู่จิตหนีไปคิดรู้สึกพุทโธอีกจิตหนีไปคิดอีกรู้สึกไม่ใช่พุทโธเราห้ามจิตหนีไปคิดพอจิตหนีไปคิดบ่อยๆเรารู้สึกบ่อยๆเราจะจําสภาวะที่จิตหนีไปคิดได้แม่นพอเราจําสภาวะที่จิตหนีไปคิดแม่นแล้วเนี่ยต่อไปพอจิตหนีไปคิดเราจะรู้ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติว่าอ้อหลงไปคิดแล้วมีคําว่าแล้วนะออมีคําว่าอ้อด้วยไม่ใช่เอ๊ะ อ้าวเหลื อ, อ, อไม่ใช่นะก็อ้ อ, อหนีไปคิดแล้วคำว่าแล้วบอกให้รู้ว่าสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ทีหลังมันหนีไปคิดแล้วแต่ร่างกายเนี่ยจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งรู้สึกอ้อไอ้ตัวนี้มันหายใจอยู่ไอ้ตัวนี้มันหายใจออกไอ้ตัวนี้มันหายใจเข้าไอ้ตัวนี้อยู่ในตัวนี้เดินในตัวนี้นั่งตัวนี้นอนไอ้ตัวนี้กําลังน่ะ กำลังยืนในตัวนี้กำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนแม้รู้กายเนี่ยรู้ตอนที่กำลังคือตอนที่เป็นปัจจุบันแต่ถ้าจะรู้นามธรรมารู้ตรงคลับมาแล้วอ๋อมันเผลอไปคิดแล้วอ้อมันโกรธขึ้นแล้วอ้อมันเผลอมันเพลินไปแล้วอ้อมันดีใจแล้วกำลังกันแล้วไม่เหมือนกันนะแยกให้ออกรู้กายรู้รูปเนี่ยรู้ที่กำลังปรากฏรู้นามรู้อันที่แล้ว แต่ต้องแล้วสดสดร้อนรนะไม่ใช่แล้วไปเมื่อวานโกรธเมื่อวานวันนี้รู้มารายงานหลวงพ่อปราโมททิฉันทาวิปัสสนาเป็นนะเมื่อวานนี้โกรธวันนี้รู้ขึ้นมาไม่ใ ช, ใชนะ่รู้ก็ต้องรู้ของตัวเองนะไม่ใช่รู้ของคนอื่นมีคราวหนึง่งหลวงปู่ดูลไปเยี่ยมหลวงปู่เทศท่านคุ้นกันหลวงปู่เทศกับหลวงปู่ดูลเนี่ยตอนอยู่บนเนนคย อ, อยู่วัดเดียวกันหลวงปู่เทศเป็นพระแล้วหลวงปูด่ดูลเป็นพระหลวงปู่เทศเป็นเนน นั่นท่านเขารลบนับถือคพูเคยกันหลวงปู่โดนไปทุ่งาแถวหนองคายก็แวะไปเยี่ยมหลวงปู่เทศแล้วพวกลูกศิษย์หลวงปู่เทศก็เรียกลูกศิษย์มานั่งฟังหลวงปู่โดนให้โอว่าท่านก็บอกว่าให้ดูจิตตัวเองต้องรู้จิตตัวเองท่านบอกให้ดูจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคท่านไม่ได้บอกว่าให้ดูจิตตัวเองจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรค มีคุณป้าท่านหนึ่งยังมีชีวิตอยู่เพริ่งนั้นเอ่ยชื่อไม่ได้เดี๋ยวแกมาต่อยหลวงพ่อแกนักเลงเชียวละแต่ตอนนี้คงไม่ไหวละแก่ละคุณป้านี่ฟังนะแล้วก็ปลื้มใจปลื้มใจพอหลวงปูดด่โดนไปแล้วแกก็หัดภาวนาใหญ่ัดดูจิตดูใจวันหนึ่งก็ไปรายงานหลวงปู่เทศหลวงปู่เจ้าค้าดิฉันดูจิตออกแล้วยังไงจิตเป็นยังไงจิตเจ้ายังไงเล่าไปสิ จิตดิฉันนะใครมันเป็นยังไงเนี่ยดิฉันรู้หมดเลยมันเห็นกิเลสคนอื่นหมดเล ย, ยพอเห็นกิเลสคนอื่นแล้วนะจิตดิฉันยิ้มด้วยมันยิ้มเย่ะออกิเลสคนอื่นด้วยนะพอหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตตัวเองแล้วจิตยิม้มแกเลยบอกจิตแกยิ้มด้วยนะเนี่ยเห็นคนนี้แกมีกิเลสแล้วมันยิ้มยะอใหญ่นี่แย่มากหลวงปู่เทศบอกไม่ใช่ดอกเจ้านะมันต้องดูของตัวเอง แล้วมันยิ้มเาะกิเลสตัวเองมันไม่ใช่ยิ้มเยากิเลสผู้อื่นอันนี้ต้องดูของตัวเองไม่ดูของคนอื่นนะพวกเราหลายคนหัดภาวนาเรียนกับหลวงพ่อพอดูจิตใจตัวเองได้สักพักหนึ่งแล้วมันเกิดสนใจจะรู้จิตคนอื่นมันออกไปรู้ได้มีคนที่ออกไปรู้จิตคนอื่นได้เป็นร้อยร้อยอ่ะนะเป็นร้อยอะไรคงถึงนั่นอย่าไปมัวแต่รู้คนอื่นนะถ้าหาก ยังไม่ได้โสดาแล้วเที่ยวรู้คนอื่นเนี่ยมันจะไม่ยอมรู้ของตัวเองละมันจะกลับมาดูของตัวเองยากที่สุดเลยเพราะมันจะเพลินสนุกดูของคนอื่นไปเรื่ๆสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งเที่ยวดูของคนอื่นพระองค์นี้เป็นเอตตะทะนะคือพระอนุรุตพระอนุรุตเนี่ยฝึกกรรมฐานอยู่ช่วงหนึ่งนะท่านก็ได้ทิพจักสุท่านเที่ยวดูจิตสัตว์ทั้งโล ก, กทา ต้งทันโล ก, กาธาตุในเวลาเพียงครู่เดียวแม้ไวพวกเราที่ว่ารู้ได้รู้ได้น่ากระจอกมากเลยเทียบกับพระนุรุตพระนุรุต ด, ดูได้ต้องทันโล ก, กาธาตุในเวลาครู่เดียวโล ก, กาธาตุหนึ่งคําว่าโล ก, กาธาตุเป็นอะไรก็แปลได้หลายในยักษ์อย่างกว้างเลยก็คือแม้ดูไปตามดาวต่างๆได้ตั้งร้อยดวงอะไรอย่างนี้อย่างแคบคําว่าโลกเนี่ยก็คือรูปรนามจะจะดูจิตคนทันคนได้ในเวลาครู่เดียวเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ เคยเจอพระองค์หนึ่งดูจิต5้าคนในเวลาครู่เดียวไวัยมากนี่พระนุรุตวัยเป็นอันดับหนึ่งดูจิตดูทั่วโลกธาตุแล้วก็มาถามภาษาลิบุตรบ่าข้าแต่ท่านภาษาริบุตรผู้เจริญก็ผมมีทิพยะจักรสูเลิศขวเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกธาตุตั้งขันโลกในเวลาครู่เดียวท่านเห็นเกิดดับนะบนนคนน้นคน้นเกิดคนนี้ตาย ตั้งพันโลกในเวลาครู่เดียวเมื่อไหรผมจะบรรลุพระอราหันต์สักทีพระสารีบุตรสอนบอกการที่ท่านเห็นว่าท่านมีทิพยจักสุเลิศกวเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นมานะอติมานะถือว่ากูเก่งกูเก่งกงูเหนือคนอื่นนี่กิเลสตัวที่หนึ่งการที่ท่านเที่ยวดูโลกกัธาตุตั้งพันโลกไม่ดูตัวเองนี่เรียกว่าฟุงา้งซ่านเรียกว่าอุาทัดจะการที่ท่านรู้สึกว่าเมือ่อไหรจะบรรลุสักทีวะเรียกว่ากุกกุจจะ เป็นความรําคาญใจว่าของดียังไม่ได้สักทีให้ท่านละทำสามอย่างนี้น้อมจิตไปสู่อมตะธาตาธุแล้วท่านจะบรรลุพระอรหันต์ในเวลาอันสั้นเนี่ยต้องดูตัวเองต้องรู้ลงมาที่ตัวเองแทนที่ไปดูข้างนอกนะละสามอย่างนั้นคือละความถือดีว่ากูเก่งละความฟุ้งซ่านเที่ยวดูคนอื่นหันมาดูตัวเองละความเร่าร้อนใจว่าดูแล้วเมื่อไหร่จะได้ผลพวกเรามีไหม เราดูไปเรื่อยเร่อยเรารู้สึกไหมเมื่อไหร่จะได้สักทีละเสียนะถ้าเวลาไม่ได้หรอกนี่ท่านไปละสามตัวนี้แล้วท่านก็รู้กายรู้ใจท่านเรื่อยๆนะในสุดใจท่านก็เข้าน้อมไปเห็นอมตะธาตุคือนิพพาน้านะเป็นพระรหนันต์องค์หนึ่งขนาดท่านเป็นพระโสดาแล้วนะได้โสดาแล้วนะท่านยังเที่ยวดูโลกาธาตุภายนอกแล้วเพลืนไปเลยลืมดิออนมาดูตัวเองนี่ยังบุญว่าท่านได้ พะจักจสุแต่ท่านเป็นพระอริยบุคคลด้วยท่านเลยไม่ตระเิดเปิดเฟิงของเราถ้าไปดูได้คงตระเริดเติดเฟิงนะเราคงดูมนุษย์ต่างดาวดาวนี้หน้าอย่างงี้ดาวนี้หน้าอย่างงี้นะยุ่งตายเลยดูของเราคนเดียวยังยุ่งแทบแย่เลยดูตั้งครรภโลกคงยุ่งตายเลยคงเพี้ยนไปเลยนั้นท่านสร้างบารมีมาทางนั้นท่านนั้นถ้เราดูของตัวเองไม่ดูคนอื่น เดี น, นี้เลยไม่ได้ตรวจกันบ้านอะคุณหมอเอาสักคนส่งท้ายมันมีโบหาครับแล้วก็มาที่ฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็มีความสุขครับหลวงพอ่อมีความสุขก็รู้นะครับดีไปจิตใจเป็นกุศลมันก็มีความสุขตุลตรงกันบ้าน <c oughs> ให้ส่งกันบ้านกับส่งใหม่ <c oughs> เป็นยังไงอายุเท่าไหร่แล้วอายุกี่ปี แล้วหกผ่านมาก่อนเล็กไปเมื่อเช้ามีโทสะค่ะแล้วก็มีโมหะขึ้นมาด้วยโทสะันนี้ไหมมีมบ้างค่ะคุณพ<อ>่อแล้วก็แต่ตอนนี้ฟังหลวงพ่อแล้วรู้สึกดีขึ้นค่ะเบาขึ้นรู้สึกไปนะเนี่ยนั่งฟังหลวงพ่อไม่ต้องอไปคิดมากนั่งฟังแล้วจิตใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างงั้นอย่างฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยนะจิตมันเป็นกุศลขึ้นมาจิตไม่นเกิดกุศลขึ้นมามีความสุข จิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขไปไม่เห็นต้องทําความทุกข์ขึ้นมาดูเลยนะหลายคนฝึกกรรมฐานต้องทําความทุกข์นะต้องเครียดเครียดกันเครียดกันแล้ถึงจะดูได้มันเรื่องอะไรอ่ะหานรกใส่ตัว <c oughs> เราก็มีความสุขแล้วเราก็ดูไป <c oughs> นี่เรียกว่าสุขขาปฏิปทา <c oughs> แต่บางคนก็ต้องทุกข์นะ <c oughs> แล้วแต่คนว่าคนไหนกิเลสรุนแรงก็ต้องฝึกแบบเยี่ยมเยี่ยมหลวงพ่อก็มีลูกศิษย์บางคนฝึกแบบเยี่ยมเกลี่ยด เดินจะเดินไม่ไหวเลยเดินแล้ขาบวมชึงเลยก็มีเรียกว่าทุกขาปฏิปทาขามีความทุกข์มากเลยแล้วไงอีกก็บางครั้งก็รู้สึกสับสนนะคะหลวงพ่อก็ดูว่ามีโทสะมหาสลับกันไปอืแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าว่าเมื่อไหร่จะหลุดสักทีก็ดูไปนะก็ดูตามรู้ไปว่าอยากหลุดอะค่ะเออนั่นแหละความอยากหลุดเกิดแล้วก็ดับ ทุกอย่างเกิดแล้วดับดูไปอย่างเงี้ยดูไปด้วยใจซื่อๆดูตามที่เขาเป็นไม่ต้องอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างงี้นะแปลกเชิญทานข้าวไป